บุ๊กทูหกสิบสามอาระบายมูดูการตั้งคำถามสองเรสนัารักตัมเรนดูดิฉันมีงานอดิเรกน้ากูว่าคาบิรูจูนดิดิฉันเล่นเทนนิส เนนูเทนนิสอาร์ตานุสนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะเทนนิสมัยดานมยกักกระดูกุนดีคุณมีงานอดีเรเอกไหมมีเกมไหมนะอภิรุชลุลุบุญนายาดีฉันเล่นฟุตบอลเนนูฟุตบอลสกอตอาร์ตานุสนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะ ฟุตบอลซอเก์ร์มายดานมเย็กกครด์วุ่นดีดิฉันเจ็บแขนน้ากู บ, บุญญน็ปปิเก้วุนดีดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วยนา้าปาดั้มมาริโอเจียีกูดันนปปิเก้าในมีคุณหมออยู่ไหมคะดอกเตอร์วุ่นนาระดิฉันมีรถ นาว ด, ดา้ะคาร์วุนดีดิฉันมีจั ก, กรยานยนต์ด้วยนาวั ด, ด้ะมอเตอร์ไซคลกูดาวุนดีดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะนี่หนูเอยกกับปาร์คเจนุดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์นาวัดดาวกสเวตเตอร์วุนดี ดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วยน้า a ัดดาว a j บ c k e คเก็ตมาเรียววะกะับเจตเจนสกูดา้าในเครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะ Washing machine เยอะ ก, กว่าบุนดีดิฉันมีจานน้าบ a ด a าวะกับกันชนบุ่นดีดิฉันมีมีดซ่อมและช้อน หนา้าบดด้าวะกะชากูวะกะ์ว่กฟ ORK มาริยุว่กะสปูนกูดอุ่นไเกลือและพริกไทยอยู่ไหนคะวุปปูมริยูมริยละปดียอกขระอุนน่น